ถ้อยคําของมานวะคามิกะเทพปบุตรภาสิทธ์สันเสริญเป็นคาถาไวเชนี้คาถานี้เป็นของมานวะคามิกะเท พ, พบุตรได้ร้อยกรองด้วยดีเป็นคาถาสุภาษิตจะได้เป็นทุภาสิทธหาไม่ได้สมเด็จผู้มีพระภาคก็ทรงอนุมัติตามอันนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ได้กล่าวไว้ว่าความเลื่อมใสที่ปรากฏขึ้นในใจ